หนีรถติดนะแต่เมื่อวานนะ่ขึ้นมาอีกแต่สายลงไปเทนะลงพ่อขึ้นมาอีกสายทาไขากลับนะแต่พวกสายกรุงเทพโอ้โหเป็นกิโลกิโลเลยเทรถะนะติดเยอะเหลือเกินแต่ในเจ้าหน้าที่ของเขาเขาก็เขาดตรงไหนที่มันติดมากเขาก็เอากวยมาวางวางวา ง, วางทางอีกขาขึ้นนะวางขาขึ้น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 สายนะั้นมันวิ่งถึงสี่เลนอะนะเต็มถนนเลยเป็นแพรเลยแต่ขนาดนั้นยังแน่นไปหมดโอ้เมืม่อวานรนถะเยอะนะหลวงพ่อขึ้นมาก็มาแต่ว่าทางสายสายของเราก็ติดเป็นเป็นคลังคลาวสายขึ้นมาเนี่ยติดหลวงพ่อนั่งขึ้นมาเนี่ยถึงขนาดนั้นก็จะมาถึงถึงสามทุมมือวาน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 หลวงปู่ล่าเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นที่ท่านมาิเริ่มสร้างวัดโคกสาครเนี่ยมาตั้งวัดแล้วก็ที่วัดป่าหินักที่หินหมกเป้งเนี่ยก็ท่านเป็นคนเป็นคนไปรเริ่มสร้างนะแต่หลวงปู่ล่าองค์นี้เนี่ยเป็นผู้พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นทุกองท่านเขาก็ยอมรับว่าท่าน เ, เป็นคนประเทศลาวนะหลวงปูล่ลาวเนี่ยแต่ท่านมาแลภาพอยู่ที่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 ชอบฉันอาหารป่าเมียอะไรก็ได้ฉันไปแล้วก็แล้วไปนห่ท่านอยู่ในป่าพวกโยมทั้งหลายเขาบอกว่าหลวงปูล่ลานเนี่ยฉันไม่ได้ตรหัวกระพุกหัวกระพุกป่าเนี่ยพวกเราคงตะก่อนเคยมีน ะ, ะแต่อยู่ในเคยในวัดของเราเนี่ยหัวกระพุกแต่๋ดิมหมูกินหมดใ น, ในวัดของเราเนี่ยหัวบักยาวใหญ่ๆมีใบใหญ่ๆ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 บอกญาติโยมเสร็จจากนั้นท่านก็มาณะน า, าพาญาติโยมก็เอาไม้ต้นนั้นมามาประชุมเพลิงท่านจริงๆนะเพราะท่านสั่งนี่แหละกระดูกของเรานะพอตายแล้วเอาอขึ้นไปไว้ในถ้านะถ้าหน้าผาตรงนั้นตรงนั้นนะแต่มันมีเถาวันอยู่ตรงนั้นไะไตเถาวันขึ้นไปแล้วก็เอาไปไว้ในถ้าปอกไว้ในถ้ำเสร็จแล้วให้ตัดเถาวันให้ตัดเถาวันทิ้ง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 ผีเข้ามาสิงเอยปากปิดปากเบี้ยวคนก็กลัวกันแต่สมัยนะั้นเอาหลวงปู่ล่าเนี่ยมาเปล่าเอามากับหลวงปู่ล่าก็มีมีคาถามีวิธีการพูดนะอท่านก็ใช้วิธีการพูดนะ่ะอพูดนั้นปูดนี่ฟังเอจากนั้นก็เอาลูกหลานใด้ทำนาได้เยข่าพูดแล้วละ่ะจบแล้วละ่ะเนี่ยเขาก็ทําก็ไม่เป็นไรแต่บางคนนะ่ะ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 ในประเทศไทยเล็บเทปพระเจ้าเหล่าเทวาภูมะลุคะขยับขยายไปที่อื่นหนดะ้พวกผู้ค่าจะได้ทำไรทำนานแล้วเนอะตรงนี้นอะขยับขยายเนอะจะให้ก็ต่อมากันลงไปทำแล้วเอารูปในหลวงม า, มาเก็บขึ้นมาไวน้อะันนี้เขาว่า ก, ก็ดีเหมือนกันคือพูดดีๆขอเขาดีๆ อพรมเปปิดเป็นที่ของพระเจ้าแผ่นดินเป็นที่ของแผ่นดินให้ราชดรทํามหาเลี้ยงชพีพอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งะแล้วก็ทางบ้านของหลวงพ่อเนี่ยที่ไหนที่ไหนที่ทำคันน า, าแล้วก็มีมีน้ําดินถล่มเข้ามาดินถล่มเข้ามาปิดเท่าไหร่ก็ไม่อยู่ถ้าหล่มเข้ามาเรื่อย แผ็นแป่นดิ น, นนะทั้งที่เอาไม้กั้นแล้วก็ยังไม่อยู่อีกนี่แหละคนโบราณเขาว่าอันนั้นนากมันมาดุดนากมันมาดันดัดหนากมันมามาซีมาใช้ขันนาให้แตกคนโบราณเขาบอกถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าปิดเท่าไหร่ก็ไม่อยู่นะเอาบาดไปฝังเนะ่าเอาบาดพระเนี่ยนะบาดบาด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 อ่าต่นหลวงตาก่อนบอกนี่มน์นี่แหละมีหลวงปูบ่บุญมีหลวงปูล่ลีหลวงปู่ฟักกับหลวงพ่อแล้วก็หลวงปู่อุ่นโอ้ไปเยอะนะขานนะกสิษย์หลวงตานะอ่าแต่เก็มีหลวงพ่อพุทธานิโยและครูบาอาจารย์อ้เยอะกรรมาฐานคุณหญิงลงเยาว์ที่มนแต่หลวงปู่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 เข้าไปไม่ได้มันเต็มโบสถ์ละเราก็นั่งนั่งอยู่เฉลียงสสสเสลียงวัดพระแก้วนะท่านท่าวัดพระแก้วหันหน้าไปหันหันพระพักไปทางทิศ ต, ตะวันออกนะเราก็นั่งอยู่ทางทางทางซ้ายมือทางซ้ายมื อ, มอพระแก้วนะวันนั้นก็มีหลวงปู่ฟักหลว ง, งปู่บุญมีองหลวงปู่ลีนั่งนั่งอยู่ข้างนอกทั้งหมดนะพวกเราเป็นพระพระพร ะ, ะป่า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 เคยเป็นสมผานมาแล้วเลยรู้แล้วอันไหนผิดอันไหนถูก ท, ทําไมจะมาหาธรรมอย่างนี้เอาเธอนะอแสดงว่าเธอเนี่ยท่านเนี่ยไม่รู้จักที่ไปที่ม า, เ, าเราจะอุทิศเราจะอุทิศเราจะอุทิศกุศลให้นะเอด้วยบุญบา ร, รมีของข้าพเจ้าเนี่ยเอหลวงพ่อพุธนี่แหะด้วยบุญบา ร, รมีของหลวงพ่อพุธนี่แหะ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 มันก็ฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาพัวเมลค่าอยู่ที่ไหนเนี่ยอา้าวมหาพระเนี่อโปปปับไปบักใหญ่เลยลุกไปเลยหลวงพ่อพุธก็เลยบอกอมันไม่รู้จักขนาดกราบไหว้กราบพระไหว้พระาจาพอผีมันจะเข่ามั้งละแม้พนว่เนียหลวงพ่อพุธว่านะพพานะามันไม่รู้จัก ขนาดฟื้นขึ้นมาเป็นคนแล้วยังไม่รู้จักกราบพระไหว้พระเนี่ยนช่วงผีเข้าก็ไม่ว่าละท่านว่ากันนะพอฟื้นขึ้นมาแล้วมันยังไม่รู้จักกราบไหว้พระอีกต่างหากนั่นนะท่านก็เลยบอกว่าเรื่องผีเนี่ยเรื่องอมนุษย์เนี่ยเรื่องเข้าทรงเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเราจะใช้หมอทำหมอผีไล่ทีเดียวไม่ได้นะเราต้องใช้เหตุผลหักล้างนี่แหละ ม, มันเคยเป็นสมผานมาก่อน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 เผลในสุกก็เนี่ยแหละอมันมันไม่รู้จักจบจักสิ้นเลยท่านเลยเพราะว่าเอเมื่อเขาคิดตาเขียวเสร็เขาเขาคิดตาเขียวเมื่อเขาด่าเราแล้วก็ด่าเขาเมื่อเขาด่าเมื่อเราด่าเขาเขาก็ด่าเราเออเมื่อเขาคิดเมื่อเราคิดจะฆ่าเขาเขาคิดจะฆ่าเราเนี่ยแหละมันจองเวียนกันอย่างนั้นนะโลกอนิวัตะสงสารผะนั้นให้เรามีเมตตาไดีกว่าเนอะ